ดีแล้วการทาวัดสวดมนต์มีอานิสง์หลายให้พากันเข้าใจนะทานอาหารเก้าหม้อสิบหม้อก็ไม่เท่าทำวัดสวดมนต์ทั้งเดียวอยาว่ากันนอนนั่นเหมือนกับวัวกับควายกับสัตว์กอนอนนั่นนะไหว่พระสวดมนต์ทำวัดไม่ว่ายาวก็ว่า อิติปิโสร้อยแปดนี่ก็ได้อิติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนมันก็รวมเป็นร้อยแปดอิติปิโสก็คุณพระพุทธเจ้ามีห้าสิบหกสวากาโตคุณของพระธรรมก็มีสามสิบแปดคุณของพระสงฆ์ก็มีอยู่สิบสี่รวมเป็นร้อยแปดอิติปิโส จึงเรียกว่า etp โศ8มันมีอยนนีสงหลายท่องเอาจำเอาเป็นปริยัตเป็นปริยัตนับแต่น้โมอละหังไปเป็นปริยัตหมดเมื่อเราจำได้แล้วก็นำออกมาปฏิบัติ ผลก็จะเกิดเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการท่องบนสวดบนสาธยายทานี่แหละก็ทําให้เราหลุดพ้นได้พระพุทธตององค์ตัดไปอย่างนั้นนะท่องบนสาธยายสวดบนกายของเรานี่แหละนี่ อ่าเราแลกเข้าไปเป็นก็ได้เป็นพระอนาคามีหน่อดีกว่าท่านไหมล่ะฮะ <c oughs> เ, เรามีความแก่เป็นธรรมดาทําไมถึงแก่ก็าถามเจ้าของทําไมถึงแก่และทั้งนั้นนะฮะมันเป็นธรรมดาใช่ไหม แม่เราก็จะได้ปัญญารู้ว่ามันเป็นธรรมดานี่นะแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่แปรป้วนเปลี่ยนแปลงอยู่มันไม่เที่ยงมันแปรป้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออก จึงเรียกว่าธรรมดาทำวัดสวดมนต์ก็มีอานิสงส์อย่างนี้นะพากันทาวัดทาวัดทุกเช้าทุกเย็นไม่ได้ว่ายาวก็กาบสามครั้งก็ยังดีอยู่พูดโทธรรมโมสังโฆ ว, ว่าแรงๆก็ได้ว่าในใจก็ดี คุณพระโพธิเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระไตรปิฎกแปด0มื่นรวมอยู่นั่นหมดนะพากันเข้าใจอยู่ที่พุทธโทตัวเดียวนั่นแ่ะไม่ได้อยู่ที่อื่นจึงให้พากันสวดเอาเมื่อเข้าตายจนมาเข้าตายจนคือเมื่อภัยอันตรายเมื่อถึงเราเราจะได้มีสล ะ, ะที่เพึ่ง ิมันจึงจะไม่ไปไหนมันจะมาพึ่งบุญพึ่งกุศลที่เราทำเอาไว้เอ้าต่อไปก็จะให้ภาวนาออกภาวนา1 9 2เก้ย่สิหมเครื่องตั้งสัจจะอธิษฐานพร้อมกันนะโมตัสสะาพาวะโต อรหัตโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะภคว เป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณมัรดาบิดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเยือเกเย็นเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมทางสอน ของพระคุณพะเจ้าจงทุกขันเถินพู้โทรธรรมโอสังโฆพู้โทธรรมโอสังโฆพู้โทธรรมโมสังโฆเอาหนั่งได้ที่แล้วก็กำหนดสติเอาสติตั้งไว้ปลายจมูกนี่แหละ ตรงลมเข้าลมออกสุดนี่แหละต้นลมปลายลมนี่แหละเรียกว่าปลายจมูกเรียกว่าอาณาปานาสติอาณาก็เรียกว่าลมเข้าปานาก็แปลว่าลมออกสติและลึกรู้นี่และลึกรู้ลมเข้าลมออก ทีรังว่าอัตสั้นโตเนี่ยรู้ลมเข่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่รู้ทั้งเข้าทั้งออกเข้ายาวก็ออกยาวลมมาสุดอ่าสุดให้ไม่เห็นลมสุดนะเห็นต้นลมเห็น กลางลมเห็นปลายลมที่แรกสุดท้ายก็จะไปเห็นอยู่เฉพาะต้นลมกับปลายลมอยู่ที่จุดเดียวลมก็จะนิ่มละเอียดเข้าสั้นออกสั้นยาวสลับสั้นสั้นสลับยาวดูวิตกวิจาร์ดูวิจัยดู วิจัยดูทรทมก็คือลมหายใจนะั่นคือธรรมชาติมันเข้าหยาบๆยาบแรงแรงเป็นยังไงความรู้สึกหรืออารมณ์ของเรานะั่นน ะ, ะมันเข้าเบ า, เบาๆนิ่มนิ่มละเอียดเป็นยังไงให้รู้ให้เห็น เอาไปเอามาก็จะเกิดปีติสุกเอกัตะหลมจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นก็ได้เจโตวิมุตตกจิตหลุดพ้นจากขั้น5ตอนชานสะกดไว้มันไม่ได้ยากทำไปทามาชํานานเมื่อชํานานแล้วก็กําหนดสติปับ๊บ ลมหายกายไม่มีเหลือแต่ความรู้รูู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเราสติไปจับเอาว่านั้นล้วไม่ต้องกลัวจะคลองจะตายดดถ้าทํารู้สุดดูต้นลมปลายลมสุดจริงๆนะไม่นานนะไม่นานสงบลงอืลมหายใจจะหายมือไม้เราไม่มีกายเราไม่มี เน้แต่ความรู้รู้รู้เฉยอยู่เท่านั้นก็เอาสติไปรู้อยู่เฉพาะตัวผู้รู้นั่นละเฉยอยู่เฉพาะตัวของเรานั่นล่ะตัวของเราก็คือผู้รู้นั่นละจับเอาตรงนั้นไม่ต้องไปหาลมคืนมาอีกมันไม่ตายหรอก ลมมันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเบาลงลมกับกจิตมันจะวางออกจากกันนะเมื่อลมระงับดับลงกายหยาบก็ระงับดับลงจิตคือความนึกคิดปรุงแต่งก็ระงับดับลงก็คงเหลือตั้งแต่จิตแท้ใจเดิมของเราเป็นสภาวะรู้ลูลู เป็นธรรมชาติอย่อยางนี้รู้รูู้้เฉยนั่นก็ประคับประคองจิตอยูอย่างนั้นเราเรียกว่าประคาหะประคับประคองจิตให้อยู่ในอารมณ์นี้ให้ได้นานที่สุดชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจิตเข้าพวังจิตหยุดพัก จิตไม่ทำงานเรียกว่าจิตเข้าภะวังถ้าพูดเป็นภาษาสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าพูดถึงฌานก็จัดตุจชชฌานหรืออัปปนาฌานหรือภะวังใหญ่มีอารมณ์เท่ากันสมอย่างรู้เฉยรู้เฉย อุเบกขาเอขัดข้ลมฌานกลายเป็นสมาธิสมาธิกลายเป็นฌานพะวังใหญ่สมาธิหรือฌานกลายเป็นพะวังใหญ่พอมีอารมณ์สองเท่ากันรู้เฉยรู้เฉยนี่ตกพขาวังใหญ่บางคนมันมันจะลงแรงนะว บ, วบลงเห็นชัด จะตกใจกลัวเ้าเราจะตายลมไม่มีมีแต่คล้ายๆกับจิตลงตกลงมาจากที่สูงพอมาถึงฐานมันมันจะหยุดตึกว่างเลยละทีนี้หรือบางทีลมเข้าลมออกต้นลมปลายลมเนี่มาอยู่จุดเดียวกัน ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปเรียกว่ามันสมดุลกันเส ม, มอกานลมสั้นก็จะยาวออกลมยาวก็สั้นลงพอดีพอดีนั่นแหละเรียกว่าสมาัาเรียกว่าเส ม, มอกันลมจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับก้อนเมฆเหมือนกับปุยนุ่นปุยไฟเขาเคยเห็นเขา ดีดไฟปุยไฟนิ่มขาวหรือบางคนไงมองเห็นคล้ายๆกับควันบุหรี่เข้าออกทางจมูกของเราใสขขาวละเอียดนิ่มเอาไปก็จางคลายหายไปฮ คือผู้รู้ก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นรู้ๆููู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วก็เห็นจิตเราเท่านั้นเป็นธรรมชาติรู้ๆูอยู่เฉยเไม่ยินดีไม่ยินลายอะไรรู้อยู่เฉยเฉนี่แหละจิตสลัดขันห้าออก เมื่อลมหายใจระงับดับลงลมหายใจจะมีอํานาจบังคับกายหยาบบังคับจิตกายกับจิตนี่คือขั้นห้าให้ระงับดับลงหรือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าปัดสัตติกายระงับจิตระงับกายกับจิตนี่ก็คือขั้นห้านั่นเองขันห้าระงับดับลง ก็เหลือแต่จิตของเราออกไปเป็นเอกเทศอยู่รู้ ร, รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นขออย่างเดียวตอนแรกตามต้นลมกลางลมปลายลม อ, อย่านอนอย่า ง, ง่วงดูต้นมันสุดนะนะมันสุดแล้วเวลาลมสุดเราจะมองเห็นเป็นยังไง ไม่ใช่ตาเนื้อตาหนังนะตาสติตาจิตนะมันจะเห็นลมสุดมันจะรู้สึกว่ามันว่างมันสุดเหะเคยเห็นไหมหลังนี่แหละปลายจมูกต้องลมสุดเห็นลมสุดมันจะว่างวิญญาณจะออกไปจากกายของเราขณะหนึ่งมันจะทิ้ง ร่างกายของเราเอาไว้ชั่วขณะเราก็ตายนี่แหละเห็นเกิดเห็นตายตายชั่วขณะเดียวท่านเรียกว่าขณิกะมอลนังนี่อ่ามันจะเกิดจะตายอยู่ยางนี้สัน ต, ติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้หาระหว่างขั้นไม่ได้ให้เราดูให้มันเห็น ดูไปดูมาลมมันก็จะเป็นก้อนเป็นกลุ่มเบานิ่มละเอียดตายล้งครับนั่นคือลมล้งครับจิตคือความคิดก็อละงัดดำลงทิ้งอดีตอนาคตไปหมดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวิโมจะยังจิตตั้งสมาธาังจิตตังจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ วิโมจะยังจิตตั้งจิต ก, ก็จะปล่อยวางวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางคันห้าไม่มีอะไรอววรหมดวางโมจิตจึงวางเป็นธรรมชาติรู้รู้อยู่อ่า หมดอะไรแต่อยากไม่เอาอะไรสักอย่างวางทิ้งหมดมันอยู่ในนั่นแหละดูไปดูมาก็เกิดปีติสุขปีติสุขก็เรียกว่าเวทนาปีติสุขมันไปประกอบกจิตของเราปีติสุขนี่แหละคือเวทนามันไปประกอบกจิตจิตจึงเป็นสังขารขึ้นมา จิตตสังขารทำกิตสังขารให้ระ้งับจิตตสังขารคือความคิดแล้งับดับลงก็เหลือตั้งแต่กิตแท้ทั้งกีเรียกว่าขึ้นหมวดที่สกจิตตะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิต อาภิปโมถ้ายังกิตตั้งทํากิตให้เลื่นเลื้งเบิกบานอยูุ่มสมมาทหางกิตตัง้งกิดก็จะตั้งมันนมมงม่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เกิดวิปโมจะยังกิดตัง้งกิดจะปล่อยวาง วางโลกวางอารมณ์วางสมมติวางขันหาวางว่างนั่นนะเป็นธรรมชาติขึ้นมาเท่านั้นอ่าสามหมวดนี้เป็นสมถาสมถตอานาปานสตินี่จะได้ทั้งสมถาและวิปัสสนานะ ได้อันแรกก็เป็นสมถะอันที่สองก็เป็นสมถะอันที่สามก็เป็นสมถะเหมือนกันหมวดที่สอา น, นิจจานุปสัสสีวิลาสานุปสัสสีนิโรทานุปัสสีปฏิสีสขานุปสัสสีหมวดนี้เป็นหมวดวิปัสสนา ถ้าสามหมวดนั้นไม่สำเร็จกิจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เอาหมวดที่สเลยทีนี่เห็นลมหายใจเข้าออกต้องรู้ต้องทำความรู้ความเข้าใจลมหายใจคืออะไรลมหายใจนะคืออะไรฮ ในลมหายใจมันมีอะไรต้องเข้าใจความหมายลมหายใจนี่แหละคือกายในกายละเอียดในกายละเอียดนี่มันก็มีจิตอยู่ในนั่นจิตเป็นของละเอียดกว่านี้อีกมันบังอยู่ในกายนี่เองกายกับกจิตนี่แหละเขาเรียกว่าลูกกับน้ำหรือเรียกว่าขันห้า เลือกตัวกายตัวลมนี่มันหมุนเข้าหมุนออกต้นจากต้นแล้วก็เป็นกลางกับว่าปลายนี่หมุนเข้าหมุนออกอยู่นี่เรียกว่าวินลมให้ใจเรียกว่าวินนี่ต้องรู้จักนี่คือวินตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่ายานเมื่อลมเข้าไปก็เรียกว่าวิญญาณ เข้าไปในกายเราเรียกว่าเกิดนี่ง่ายๆเนื้อวิญญาณวิ่งออกมาปลายลมสุดมันก็ทิ้งซากศพเอาไว้สัว่วขนาดหนึ่งก็ตายวิญญาณก็เรียกขันห้าก็เรียกลมหายใจก็คือรูปธรรมตัวจิตตัวใจอยู่นั่นก็คือนามธรรม รูปกำนากายกับใจเข้าไปก็เรียกว่าเกิดขันห้าเกิดออกมาก็เรียกว่าขันห้าดับเข้าไปก็เรียกว่าขันห้าเกิดออกมาก็เรียกว่าดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะฮะ ยังกินจิสมุททะยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขันห้าเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งเหล่านี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็เห็นธรรมดา ธรรมดาคือมันเป็นไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังนั่นแหละคือธรรมดามันเป็นทุคขังมันเป็นอนัตตานี่ยเลยแล้วก็เห็นธรรมดาเห็นธรรมในธรรมนี่ลมหายใจก็คือรูปธรรมใจอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมหรือคันห้ามันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นคันห้าเป็นอนิจจังทุคขังอนัตตาจึงเกิดเบื่อหน่าย นี่เบื่อหนายนิพพิธานิบินติเนี่เบื่อหนายเมื่อเบื่อหนายก็คลายความยินดีก็เรียกว่าวิลาคานุปสีท่านเราเห็นความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงเข้าใจหรือยังอะไรไม่เที่ยงต้องเข้าใจนะอะไรไม่เที่ยง ขันห้าไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงลมหายใจไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงก็คือเรียกว่าอานิจจังอนิจจาเน่ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเที่ยงไหมล่ะใช่ต้องให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อไม่เที่ยงแล้วจึงจะเบื่อหน่าย เมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาขึ้นมานี่แหละเห็นธรรมในธรรมธรรมชาติคือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์จึงว่าเห็นธรรมในธรรมหรือธรรมานุ ป, ปัสสนาปฏิปทานเอาฐานนี้ เป็นที่ตั้งแห่งการกระทําให้เกิดปัญญาปัญญาให้เห็นอนิจจาอนิจจังเท่านี้ทุกครั้งอนัตตาเท่านี้จึงจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีก็ดับครั้นห้าไม่มีเหลือกเกิดนิโรธานุปัสี่ดับ ไม่มือเหลือซึ่งขันห้าเมื่อดับขันหน้าลงได้กับปฏิสิทธิศานุปัสสีก็เกิดขึ้นตามเห็นความสลัดคืนสลัดทิ้งปล่อยทิ้งปฏิาาปนิสขาไปว่าสลัดทิ้งปล่อยทิ้งสลัดคืนโยนทิ้งโยนอะไรทิ้งไปไหน ทิ้งขันห้านี่แหละอะไรคือขั้นห้าลมหายใจนี่แหละคือขันห้าทิ้งไปให้อะไรทิ้งไปให้กับธรรมดานี่มันเกิดแล้วก็ดับอันนีจ้จังทุกครั้งอนาตาเราก็ดับขั้นห้าได้สิ้นอาสวัยกิเลสนี่ใครเอาลมหายใจ อาณาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญแล้วบริบูรณ์แล้วนะ่เจริญแล้วทำแล้วให้บริบูรณ์แล้วอาณาปานสติบริบูรณ์แล้วบริบูรณ์คือยังไงฮะไม่แช่อ่านแล้วไม่เข้าใจบริบูรณ์อ่าบริบูรณ์เราเห็นมันเข้ามันออก เข้าก็เห็นออกก็เห็นจึงว่าบริบูรณ์ใช่ไหมเห็นกระท่อนกับแท่นบริบูรณ์ไหมเห็นทั้งเขา้าทั้งออกเห็นทั้งยาวทั้งสั้นอาณาปานบริปานาสติบริบูรณ์ย่อมได้สติปัฏฐานสี่ย่อมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม เมื่อสติปะทญาสี่บริบูรณ์แล้วย่อมได้พุทชงเจ็ดบริบูรณ์แน่ง่ายๆเนะเอาสติจับอารมหายใจพุทรงเจ็ดสติกำหนดรู้วิตกวิจารณ์ลมหายใจอยู่ก็เรียกว่าสติสัมปุญชดชงเราจเจริญแล้ว ใช่ไหมล่ะเหรอสติและลึกรู้ลมเข้าลมออกเรานำลมเข้าลมออกมาวิตกวิจาร์ดูนี่นำเอาธรรมบทใดบทหนึ่งเอากายก็ดีเอาเวทนาดีเอาจิตเอาธรรมก็ดีก็คือลมหายใจนั่นแหละมาวิตกวิจาร์ดูก็เรียกว่า ธรรมวิจยะสัมโพชงเราได้เจริญแล้วเนี่ง่ายไหมล่ะทีนี้สัมโพชงโพชงเเมื่อเราเพียนตั้งสติมา ค, ค่ควรพิจารณาดูสติปฐานสี่หรือฐานใดฐานหนึ่งหรือลมหายใจอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชงเราได้ทำแล้ว มันง่ายไหม่ะที่ไหนวิริยะสำโพวิชมไม่ได้ออกท่าออกทางเพียงแต่เพียนตั้งสติคุมจิตมาพิจารณาวิตกวิจารวิจัยดูขันห้าวิตกวิจารดูลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นก็เรียกว่าวิริยะ สัมโพชงเราได้เจริญแล้ว เ, เมื่อวิริยะเกิดขึ้นก็จะเกิดปีติกิตก็จะเกิดปีติเช่นชื่นเบิกบานขึ้นมาเมื่อเกิดปีติก็กเกิดปัจสทธิปัจสทธิคืออะไรลมหายใจระงับกายระงับกิตระงับ เรียกว่าปัดสัท ธ, ธิสัมโพชงลมหายใจระงับดับลงจิตระงับดับลงก็เรียกว่าปัดสัท ธ, ธิสัมโพชงเราได้จเจริญแล้วเมื่อลมหายกายไม่มีก็เหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้รูู้ลูลูเฉยอยู่นั่นก็เรียกว่าสมาธิสัมโพชงเราได้จเจริญแล้ว มันจิตมันรู้รูอยู่เฉยเฉยเฉยเก็คืออุเบกขาแสดงว่าอุเบกขาสัมโพ่อชงเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้เจริญแล้วนี่โพ่อชงเจ็ดถึงอุเบกขารู้จิตจะไปเป็นสมาธิตั้งมั่นรู้รู้รู้อยู่เฉยเยเรียกว่าอุเบกขาสัมโพ่อชงเราได้ก็ทําแล้วนีไม่ได้ไปซื้อไปหาอย่างใครนะเนี่ย พ่อชงเกตเมื่อพ่อชงเกตรบริบูรณ์แล้วเราก็ได้วิชานะท่านว่าวิชาสามบุเพนิวาสานุสติญาณยุตูปปาตายานอาสาวัคค ย, ยานได้ญาณเกิดขึ้นได้ความรู้เกิดขึ้น ยานะลึกชาติผลหลังยานรู้ว่าจิตของคนจะไปอุบัติขึ้นที่ไหนเกิดที่ไหนเพราะอะไรสุดท้ายเราก็จะได้อาสาวัคยายานยานสองยานนี่เป็นยานโลจิยะคนส่วนมากก็ทำได้อยู่ส่วนอาสาวัคยายานนี่ จะทาได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นส่วนนอกนั้นไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่ย่อมได้สามยานสามเกิดขึ้นเมื่อยานสามเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นวิมุตติอาสาวัขยานกิดก็หลุดพ้นจากขันห้า สิ้นอาสาวกิเลสในปัจจุบันท่านตาเห็นเออแน่ง่ายไหมล่ะฮะเราจะรู้ว่าเราได้เห็นพระนิพพานได้เป็นพระลหัน <c oughs> <c oughs> ในทิฏฐธรรมนี้ อทิฏฐธรรมนี้แปลว่าในปัจจุบันทันตาเห็นว่าแมนชาตนะไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันมะลืนเห็นตอนนั่งสมาธิอยู่นี่แหละเห็นตอนเดินปัญญาอยู่นี่แห ล, ละพอดชงจ็ดแล้งับดับลงอุเบกขาสัมพอืชง ยิ่ก็ตกถึงธรรมชาติลู่เฉยลู่เฉยนั่แหละอุเบกขาสัมพ่อชองมันจะไปตรงกับบารมีอุเบกขาบารมีผู้ใดได้อุเบกขาบารมีผู้นั้นก็ได้เป็นพระรหันต์มันพูดคนละแงและมุมเฉยๆ เออเข้าใจนะอาณาปานสติได้ทั้งสมถะและปัญญาและวิปัสนาเห็นลมให้ใจเข้าออกก็ได้วิปัสนาแล้ววิปัสนาคือปัญญาคือพอู้แจ้งปัญญาไปลู้แจ้งอะไรลู้แจ้งขันห้า อืมไม่เป็นรูที่เวลาได้เจต ว, วิมุตติจิตสงบลงแล่วนะขั้นห้ามีไหมผู้เคยทำจิตสงบแล้วขั้นห้ามีไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีไหมเราเขามีไหมเออกายเรามีไหมกายหยาบกายละเอียด ลมหายใจไม่มีราบเหมือนหน้าก้องชัยนะั่นเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเรียกว่าเอโกโทโมในโลกนี้ดับเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดนี่ปัญญาเกิดจากสมาธิสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีต้นไม้ภูเขาก็ไม่มีบ้านช่องห้องหอไม่มีที่นั่งอยู่ก็ไม่มีใกล้ก็ไม่มี มิแตธรรมชาติว่างครอบโลกอยู่อุเบกขาเฉยเอกขัดตาลมอยู่เท่านี้นี่แหละจิตลงถึงอุเบกข า, าถ้ามันไม่สงบอย่างนี้ก็ดูไปเรื่อยๆลมให้ใจน่ะนะต้องทมสติปัญญาและรู้ว่า ลมหายใจนั่นแหละคือกายของเรากายในหรือท่านเรียกว่าลูกทรรมแนง่ายๆนี่เข้าใจไหมหล่ฮะตัวจิตอาศัยอยู่ในลมนี่แหละท่านเรียกว่านามธรรมลูกธรรมกับนามธรรมอิงอาศัยกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าขันห้า ขันห้าเวลาลมให้ยายเข้าก็ขันห้าเกิดขันห้าดับนี่เราจึงเห็นอนิจจานุปษษัสสีเห็นอนิจจังเห็นขันห้าไม่เที่ยงเห็นขันห้าเป็นทุกขังเห็นขันห้าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัตบุคคล ก็เกิดปัญญาปัญญาในนี่ก็หมายถึงเห็นอริยสัจสี่ก็ได้ทุก เ, เห็นขั้นห้ารู้ขั้นห้าด้วยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยยานสามนั่น ดับขั้นห้าได้เราจะดูขั้นไหนหล่ะทีเนี่ยขั้นไหนมันง่ายมันสะดวกขั้นขั้นกามโลกกามโลกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปภายในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพ เรียกว่ารูปภายนอกหรืออยายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอยายตนะภายในรูปเสียงปินรสโพธพะเรียกว่าอยายตนะภายนอกอยายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณ น, นามธรรมนี่คือวิญญาณคือใจน้อมออกรับอารมณ์ ก็เรียกว่าขันห้าเกิดขันขันกามาโลกนะเกิดกับดับพร้อมกันเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับตายเห็นลูกเกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ก็ดับหูได้ยินเสียงเกิดรู้เห็นขึ้นมาใจมาลูกให้แล้วก็ดับ ถ้าผู้ใดมาโง่ามาหลงสำคัญตนว่าคันห้าเป็นเราเราเป็นคันห้าเมื่อตาหูจมูกลิ้นเห็นกระทบขึ้นก็เลยหลงว่าเรารู้เราเห็นเราได้ยินก็ไปอุปทานคันห้าก็เหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยนน่เท่านี้ ขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละคือทุกถ้าใครไม่อุปทานหลงมายึดอุปทานจิตอันใดหากกำหนัดขัดเคืองในรูปเสียงกินรสหรือในโลกในอารมณ์ในขั้นห้าจิตดวงนั้นก็เป็นโลจียะจิตจิตอันใดเมื่ อ, อยึนทัายนอาภายในกระทบกันไม่กำหนัดขัดเคืองในโลกในอารมณ์ในขันห้า กิจ ด, ดวงนั้นก็เป็นโลกุตระกิตแน่มันง่ายๆนี่ถ้าเราเห็นขั้นห้าเกิดดับมันเที่ยงไหมล่ะที่เนี่ยได้เห็นรูปเกิดแล้วดับเที่ยงไหมฮะคิดไปด้วยถ้าสมาธิไม่เกิดไม่เที่ยงสิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์อะเห็นขั้นห้า ด้วยอริยสัจสี่เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าใครไปอุปทานคันห้าก็เหตุเกิดแห่งทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าสมุทยัยเมื่อผู้ใดมาลู้เท่าอกันคันห้าว่าคันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมีแต่ธรรมชาติยิงอาศัยกันอยู่มันเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอืม ดับความย็นมั่นถือมั่นได้ก็เรียกว่านิโรธนี่ไม่มีอะไรนี่นี่ขันขั้นกรรมโลกนั่นนี่ขันขั้นรูปโลกอ่านั่งสมาธิอยู่นี่อะไรเนี่ยจิตวางลมให้ใจวางกายวางลมให้ใจวางอะไรออกเจโตวิมุตต์ดับขันห้าได้ ก็เรียกว่าได้เจ ต, ต ว, วิมุตรหรือได้รูปฌานฌานสหรือได้อปปนาฌานอปปนาสมาธินี่นะขันนี้ก็เรียกว่าขันหนะขันอย่างละเอียดรูปฌานนี่เป็นรูปป่วยคิต ไม่มีตัวมีตนไม่มีก้อนมีแท่งเหมือนกับกามโลมันจะเป็นรูปวิจิตรู้เลยรู้รู้อยู่เฉยๆนั่ยนะเรียกว่ารูปชานเมื่อผู้ใดมายึดมาถือเอาชานเป็นเราว่าเราได้ชานชานเป็นเราเราเป็นชานชานมีอยู่ในเราเรามีอาชาน ผู้นั่นก็อุปทานเอาขันห้าเอาขันละเอียดนึกออกไหมล่ะทีนี้สามโลกนี่กรรา ม, มาโลกรูปโลกก็ผู้นั่นก็ไปติดอยู่ในรูปโลกเมื่อผู้ใดมาเห็นว่าฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ถอนออกดับไป เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็จะเบื่อหน่ายดับรูปฌานได้นี่แหละดับขันละเอียดลงได้เห็นไม่ไม่เห็นว่าฌานเป็นตนตนเป็นฌานฌานมีอยู่ในตนตนมีอยู่ฌานถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปทานขันห้5ขันละเอียด รู้ทางมโนอย่างเดียวขึ้นไปอรูปฌานก็เหมือนกันอรูปฌานเมื่อผู้ใดไปได้ถึงอรูปฌานก็มาหลงว่าเราได้ฌานฌานเป็นเราเราเป็นฌานฌานมีอยู่ในเราเรามีอยู่ในฌานเรียกว่าทิฏฐิสี่อย่าง ขันห้าชันก็คือขันห้าอันปณนี่อารูปชานเมื่อเราไม่เห็นมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเราก็ดับได้ดับด้วยวิธีเบื่อไหนคลายความยินดีเห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเหมือนกันนะสมแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอารูปโลกอ่า นี่ขันขั้นกามะโลกขันขั้นรูปโลกขันขั้นอรูปโลกก็ตกอยู่ในไตลักยานเป็นวัฏจักาสารเวียนไหวแต่เกิดอยู่สามแดนโลกธาตุนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนผู้นั้นจึงวางโลกดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติได้ขันห้างก็สมมติชั้นก็สมมติโลก ก็สมมติขั้นหน้าก็สมมติมันเป็นอันนี้จังทุกครั้ง น, นะตาไม่เกิดดับอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้เป็นวัฏ ต, ตักรสงสารเราจึงเบื่อหน่ายคายความยินดีจึงดับการมาโลกรูปโลกอารูปโลกได้เราก็เข้าสู่โลกุตฐลภูมิคือพระนิพพานมันไม่ยากดอก เออได้ยินไหมล่ะหรอดับได้ไหมมันก็ดับไม่ได้แหละบางคนยังไม่เห็นรูปฌานอยู่เอยังไม่เห็นรูปโลกอยู่เห็นแต่กรรมมาโลกกรรมมาโลกมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันโลกเกิดกับดับพร้อมกัน เธอจะไปตื่นโลกตื่นสงสารมันไม่มีอะไรอยู่ในนั่นคนโง่ก็ไปหลงไปยึดไปถือไปตื่นไปอุปทานเอาของไม่มีว่ามันมีอา่าเข้าใจนะใช่เนี่ยนะนี่แหละอาณาปานสตินี่บุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้ ทั้งสมถะและวิปัสนาหมวดที่1 2 3คือสมถะหมวดที่4เห็นธรรมในธรรมนั่นแหละคือวิปัสนาเห็นเห็นหมั้ยล่ะฮะมานั่งเฝ้าหงูเฉยๆเห็นปลายลมสุดั้ยเห็นหมั้ย หายใจออกไปดูเวลามันออกไปนั่นนะอย่าเพิ่งหยดุดจนมันเห็นมันสุดพัดออกว่างตรงนั้นและมันว่างตรงนั้นแหละนั่นแหละคือปลายจมูกปลายลมนั่นนะคือปลายจมูกมันจะเริ่มเข้าอีกก็เข้าตรงนี้แหละนี่สติตั้งไว้ตรงนี้เข้าก็เห็นเข้าเข้าหยาบเข้าละเอียดลูกเข้าไป ออกมาเห็นเกิดเห็นตายอยู่นี่เห็นอะไรเกิดนี่ปัญญาอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรตายเห็นเกิดเห็นตายนี่แหละเกิดตายนี่แหละสื่สัจจะคือความจริงอริยสัจทุกนี่มันทุกนี่คืออริยสัจจริงขันห้าเกิดดับนี่ ขันไหนก็ตามขันขั้นการมาโลกรูปโลกอรูปโลกมันเกิดมันดับก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นกำหนดรู้เพื่อไม่ให้เราเข้าไปยึดไปถือเอาขันห้ากำหนดรู้ว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมเออธาตุดินน้ำลมไฟมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาน่ะทำไมเรามาถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาน่ะมันเป็นธรรมชาติรูปธรรมใจวิญญาณก็คือน้ำธรรมก็เป็นธรรมชาติ เนี่ยขันขันกายมาโนกายสักแต่ว่ากายใจสักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านให้กำหนดรู้ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้ว่ามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขากายกับใจอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับอื้ม ถ้ามันเกิดเวทนาเวทนาก็เกิดดับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นสัญญาความจได้ไม่รู้เรเกิดดับเหมือนกันสังขารความคิดเกิดดับวิญญาณเกิดดับเรียวกว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นว่บเป็นเราเป็นของของเรานี่ท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้ กำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มาอุปทานเอาขั้นห้าเพื่อไม่ให้มายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกคือขั้นห้าเกิดดับนี่แหละสัจจะคือความจริงอริยสัจจริงอริยสัจจริงคือความจริงขั้นห้ามันต้องเกิด ต้องดับอยูน่นี่เป็นสัจจะคือความจริงอย่างนี้ความจริงอันประเสริฐอริยะสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรูปลิ้นเ ย, ย้ยกาหนดรูปกำหนดรูปไปทำไมกำหนดรูปรเพื่อไม่ให้เมาอยยึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเออมีเราไหมละ่ะรูปธรรม ดินน้ำลมไฟอากาศสงเคาะเรียกว่ารูปวิญญาณสงเคาะเรียกว่าใจเรียกว่านามรูปกับนามมันมีตัวมีตน ม, มีสัตว์บุคคลไห ม, มให้กำหนดรูป รู้อย่างนี้ถ้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยเวลามันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองของมันอยู่อย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปยึดไปถือเอามันจะเกิดมันละร้อยพบพันครั้งก็ช่างหัวมันมีเรื่องไหมละ่ะตัณหาเกิดไหมละ่ะความรักความชังเกิดได้ไหมความโลภความโกรธเกิดได้ไหม กามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหาเกิดได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละท่านให้กำหนดรู้ปริญญาเราได้รู้แล้วนั้นรู้ว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นน เ, เรียกว่าปริญญารู้แจ้งซึ่งขันห้าจึงไม่มีใครไปยึดไปถือ มันเกิดเองดับเองอยู่เช่นนั้นตัดถัดตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เช่นนั้นเองไม่มีใครบอกมันก็เกิดตายเห็นรูปขันห้าก็เกิดขึ้นอืมหูได้ยินเสียงขันห้าก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะ แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองตลอดวันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปใช่ไหมฮ้ทำไมเราเป็นบ้าไปแบกเอาทุกข์ละ่ะเมื่อไปอุปทานเหตุเอาขันหากก้าเรียบว่าสมุทไทยเหตุเกิดแห่งทุกข์ะนะ ว่าโดยย่ออุปทานคันห่านั่น 5, นะแหละคือทุกเนะี่เมื่อเรามากำหนดดูแล้วว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นมันเกิดเองดับเองของมันอยู่ยงนั้นเช่นนั้นเองตัดชะตานนะั้พระองค์ตัดเอาไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองเป็นสันตติเสื่มเนื่องกันอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดคืนคันห่านทำงานอยู่อย่างนั้น ใช่ไหมนอกจากเวลาเข้าสมาธิผู้เข้าสมาธิได้เท่านั้นผู้เข้าสมาธิจิตไม่สงบก็ทํางานอยู่เองขันห่าหรือผู้นอนหลับเท่านั้นะจึงจะเห็นอารมณ์พระใิพ่านเขาเรียกในผ่านบุตรชนคือนอนหลับเคยเห็ น, นภายในผ่านบ้างหรืเหอ <c ười> <c ười> เมื่อแรกนี่ก็ไปเข้าพระในผพานทันตัว ก็นอนหลับก็เรียกว่านิพานขนของปุตุชนเข้าสมาธิก็เรียกว่านิพานของพาริยะหรือดับขั้นห้าได้ได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็เรียกว่าพระนิพนันธ์นี่มากำทุกคืออริยสัจจริงคือขั้นห้ามันเกิดมันดับเป็นสัจจะคือความจริงอย่างนี้ท่านเรียกว่าทุก ปริญญ์เยยตั้งโคอะไรแล้วเราสวดอยู่เน้นริญญ์เยยเป์ปลว่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ปริญญาเราได้รู้แล้วแหมมันมีเท่านี้นะรู้ว่ายังไงรู้ว่าขั้นห้าเกิดกับดับพร้อมกันอยู่เช่นนั้นเองตัดถัดตา ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลดินน้ำลมไฟก็คือรูปธรรมวิญญาณก็คือนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายในมันไกลทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะธรรมลมคือรูปภายนอกวิญญาณก็มารู้ให้เรียกว่าขันห้าเกิดแน่เกิดแล้วก็ดับ สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮ้เที่ยงไหมสิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานั่นมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมล่ะท่านให้กำหนดรู้เพื่อไม่ให้ไปยึดไปถือเอาอันนี้ขันขันการกามเมาโลก ดับกามาโลกได้ก็เข้าสู่โลกุราภูมิได้อถ้าผู้ใดได้ฌานไปติดอยู่ในรูปฌานก็เรียกว่ารูปราคะไปติดอยู่ในอรูปฌานก็อรูปราคะมีความยินดีพอใจในรูปฌานอรูปฌานก็เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะเห็นว่าฌานเป็นพระนิพพานมันว่างมันสงบมันสุขเนี่ย น, นะ แม้จะได้ชานอภิน ญ, ญาห้าสมาบัตแปดานสมาบัตแปดก็ช่างก็ตามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์อยู่ก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าผูใ้ใดไม่เห็นไตรลักษณ์ในชานในสมาธิจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิฟังออกไหม ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิก็เห็นว่าฌานเป็นตนตนเป็นฌานฌานเป็นเราเราเป็นฌานสมาธิเป็นเราเราก็ติดอยู่ในรูปฌานรูปฌานตายไปไปเกิดพรมโลกถ้าผู้ใดมาเห็นฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังลุคขังอนัตตาเรียกว่ามิจฉาเรียกว่าสัมมาสมาธิเออดับรูปฌานรูปฌานได้ ยิงจะไปเกิดอยู่จึงจะไปโลกุตระภูมิได้เข้าสู่พระนิพพานได้อือต้องพากันทําเอามันอยู่ในตัวเราหมดแล้วพระนิพพานมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเราพระนิพพานมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์แต่เราไม่ค้นคว้าปฏิบัติ หาจึงไม่เห็นนั่งหายใจทิ้มอยู่ทิ้งอยู่จนแก่หัวงอกโอ้โง่ไหมละ่ะเราหายใจทิ้งอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีสติปัญญารู้ว่าลมหายใจมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาถ้าเราดับตรงนี้ได้ก็ดับขั้นห้าได้ พระพุทเจ้ายังตัดสรูด้วยอนาปานสติตัดสรูด้วยล่มให้เย้เข้าออกนี่แหละไม่ใช่ไปรู้ดินฟ้าอากาศอยู่ที่ไหนอืมอนาปานสติก็คือขั้นห้านี่เองเข้าใจไหมละ่ะฮะรู้ขั้นห้าดับขั้นห้าได้ก็ เรียนจบวิชาขันห้าแล้วมันก็หมดเรื่องเท่านั่นจะไปเรียนที่ไหนอีกเรียนอยู่ที่นี่แหละจะไปอ่านห้าเลยพระใจปิดกเฮ้ยแปดหสี่พันพระคำมะขันท่านเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างศอกยาวานาคืบเนี่ยเนี่ยทํแปด0มืนไม่ได้เขียนออกจากไหน เรียกว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตคือทำแปด0 0่สี่พพระธรรมขันธ์เขียนออกจากก้อนสกุลกายก้างศอกยาวานะคือศอกไขศอกเราเนี่ยจะไปอ่านอะไรอ่านพระใจปิดกเนี่ยพระตปิดกเคลื่อนที่เคยเห็นไหมหล่ะเหรอเนี่ยพระสูตรสอง0มหนึ่งสูตรเขียนออกมาจากนี่ กายวายใจใจนี่เขียนออกมาจากขันห้าพระวินัย 21,000 นหนึ่งสูตรส่วนพระปรมัติต์คือพุทธโธแปดห0ส่นสูตรสองนสูตรก็เลยรวมกันเป็น 84,000 พพระธรรมขันธ์จะไปหาเรียนอะไรอีกพระใจปิดกอภิทอรรอภิธรรม ทำทั้งหลายก็คือกายกับจิตนี่แหละเรียนจบพระธรรมจบกายกับใจนี่แหละทำใหญ่ที่สุดก็คือใจนี่แหละกายเป็นอุปกรณ์เครื่องใชยของจิตนี่พระสูตรสูตรไหนก็สองมนพสูตรก็สูตรไหนก็สอนกายให้ดีว่าจาดีใจดีเท่านี้จะไปปฏิบัติไหนปฏิบัติธรรมหฮะ จะไปเรียนที่ไหนเรียนธรรมอ่ะธรรมก็คือธรรมชาติคือกายกับใจนี่รูปธรรมนามธรรมในรูปธรรมนามธรรมมันก็มีวาจาอยู่นี่จึงเรียกว่ากายวาจาใจพระสูตรสูตรไหนก็สอนกายของคนให้ดีเท่านี้สอนวาจาของคนให้ดีสอนใจของคนให้ดีเท่านี้จะไปเรียนที่ไหนพระธรรมฮะพระวินัยก็เหมือนกันวินัยของกาย วินัยของวาจาวินัยของใจคนอยู่รวยกันมากๆย่อมจะทําผิดเอากายไปทากระทบกระทั่งสัตว์ลักทรัพย์ด้วยความโลภความโกรธความหลงจึงให้รักษากายให้ดีวาจาดีใจดีก็เรียกว่าเพราะพาะวินัยง่ายไหมหล่ะงะจะไปหาอะไรอีกไปเรียนหาอะไรอีกไปท่องหาอะไรอีก อ่านจนนังเอ็นคอปวดเอ็นคอตายมันก็จําไม่ได้เราไม่ไม่จบพระสูตรพระวินยัยถ้าจบก็จบนี่อยู่เนี่ยกายวาจาใจท่านเรียกว่าภิกษุในธรรมในวินยัยคือผู้ปฏิบัติผู้เรียนจบกายวาจาใจผู้ปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีเขาเรียกว่าภิกษุในธรรมในวินยัย แต่ไปหาที่ไหนฮะไม่บวชก็เป็นได้นั่งอยู่นี่นี่ไม่เรียกว่าชายหญิงหนุ่มหรือแก่ผู้กายดีวาจาดีใจดีก็เรียนจบพระสูตรพระวินัยเท่านั้นง่ายไหมล่ะทีนียฮะอพระปรมัติ์ก็พูดเรื่องจิตโดยเฉพาะาเรียกว่าพระอภิธรรมอืม พูดเรื่องใจอย่างเดียวเรื่องของใจ 42, ส2 0 0 0สอันูตรอันนี้ไม่ต้องไปอ่านดอกอ่านดูใจเจ้าของความโลภเกิดขึ้นอย่างไงความโกรธเกิดขึ้นได้อย่างไง เออมันอ่านความอิดช้าพยาบาทมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่านใจอ่านอย่างนี้อ่าก่อนคิดนั่นนะเราคิดดีหรือคิดชั่วคิดถูกหรือคิดผิดอ่านอย่างนี้ไม่ต้องไปอ่านที่อื่นเออ ถ้าคิดผิดก็ดับยุดคิดมันไม่ยากอันนี้พันรำแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นะเขียนออกจากก้อนสกุลกายกวงเสารยาวานาคบเนี่ยเมื่อนำลงมาปฏิบัติก็ปฏิบัติสามอย่างกายว่ า, จาใจเท่านี้ คนเกิดจากการปฏิบัติกายว่ยาใจใจก็เรียกว่าปฏิเวทง่ายไหมล่ะที่นีหฮะเอาอีกย่อลมากกว่านี้อีก 8.4 ดมืนสี่พันพระธรรมขันเรียกว่าพระสูตรเคยได้ยินไหมล่ะพระสูตรฮะไม่ต้องไปอ่านหาด อ, อกพระสูตรอ่านลมหายใจเข้า มันเข้าตรงไหนนี่คือพระสูตรอ่ะมันเข้าตรงไหนเอาสติไปจับเอาตรงนั้นมันออกมาสุด ต, ตรงไหนเอาสติไปจับตอนนั้นสูตรลมเข้าก็เรียกว่าพระสูตรเท่านั้นง่ายไหมล่ะทีนี้หายยออกมันลมมาสุดตรตงไหนเราก็เห็นพระวินัย พัดสูดคือสูตรลมเข้าพัดวินัยคือหายใจออกแน่ง่ายไหมล่ะที่นี่ง่ายมากส่วนองค์พระปรมัตคือองค์พุทโธถ้าอยากอยากเห็นพุโทโธก็ดับลมให้ใจลงดับลมให้ใจดับลมเข้าออกลงที่บอกนั่นล่ะใครสามารถดับลมให้ใจได้ก็ได้เจตตัววิมุติ จิดหลุดพ้นจากขั้นห้าก็เห็นพุโทโธเข้าใจไ้มล่ะรู้รู้รู้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในธรรมชาติเข้าใจไหมล่ ะ, ลลลลรรรละพระสูตรฮะไปหาทำอะไรอยู่ไปเรียนมันก็ไม่รู้จากพระสูตรเห็นลมเข้า ลงไหนลงเข้านั่นเห็นมันเข้านั่นก็เรียกว่าพระสูตรนี่ก็เห็นมันออกด้วยก็เรียกว่าพระวินยัยเมื่อดับพระสูตรพระวินัยลงดับลมเข้าลมออกลงก็เห็นองค์พระปรมัทิตย์คือพุโทโธเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงตั้งศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกทาต กรมาโลกรูปโลกอรูปโลกนี่เข้าใจไ้มละ่ะตั้งใส่หัวใจของสัตว์เท่านี้สามดนก็กระทักามาโลกรูปโลกอรูปโล ก, โล ก, โล ก, โลกไม่ได้ไปตั้งศาสนาใส่ไหว่าพุทธศาสนาตำราที่ว่าด้วยกายวาจาใจตำราที่ว่าด้วยพุทธโทตำราที่ว่าด้วยผู้รู้ เป็นศาสนาของผู้รู้ศาสนาพุทธเท่านั้นจะเข้าถึงพระนิพพานได้นะให้เข้าใจอย่างนี้เราดับลบไม่ได้เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาเห็นแต่ยังไม่ตายตายแล้วเราก็เอาจิตไปอยู่กับพุโทโธก็เข้าพระนิพพานไปเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็ได้เวลาสมควรหนึ่งชั่วโมงพอดีเอาละพอพอพอเอวังเอวังเอาเลียนจบพระสูตรพวรินัยล้วก็แล้ว